น่านำน้ำต่อปานไตรต่อให้ความเคารพยังพร้อมเขียนเ mm hmm. ขากระดเพื่อนสักการมิตรเคารพตู้รูปแล้วก็เจริญพรมันยังคุณแ่ชีน่าจะทำตู้เต mm ็น hmm. แล้วก็นั่งฟังกันเ mm hmm. จ้านี้เป็นเจ้าเันพุท วันที่18ธันวาคมพศัก 56, ราชสอ้าลม 1, ่ำเดืนอ้ายเดินหนึ่งเวลามันก็ผ่านไปไปเดี๋ยวเจ้าสายบ่ายคำวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไป จึงเราก็รับรู้เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติเรื่องกายเรื่องใจหากมีความรู้สึกตัวมีสติที่เรากําลังฝึกกันแต่ละขณะจะมีพลังพลังของรูปธรรมพลังของนามธรรมทั้งภลรยาร่างกายของเราตัวจรวดเท้ามีเลี่ยวมีแรงอาศัยสรรพสัตว์สรรสิ่ง จิตใจก็เหมือนกันก็นเป็นพระนะยาติโยมก็เป็นพาริยบุคคลพระสงฆ์เับพระริยสงฆ์มาเรียนรู้เสียงเดียวกันแต่นะไม่รู้มันมีพบชาติมากมายนะเป็นพพเป็นชาติร่างกายเกิดจากท้องแมนะ่ครั้งหนึ่งแล้วก็ตายจากท้องแม่ครั้งหนึ่งภนะพชาติของกาย กิเราพอจะมองเห็นกันได้แต่จิตใจนี่สิมันเกิดตายเกิดดับถี่หยิบถ้าเราฝึกหัดมีความรู้สึกตัวเห็นอาการเกิดดับมันเป็นอาการแต่ถ้าไม่เห็นมันจะเป็นอะไรอีกมากมายเหลือเกินชวนคิดเป็นภพเป็นชาติบางทีกิเลสกรดบางทีกิเลสกลุ้มบางทีคิดแล้วกัวกวงวล คิดแล้วก็รัคิดล้ก็ชังคิดและใจดีคิดล้ใจร้ายแต่พอมีความ ร, รู้สึกตัวเราเห็นพลังที่เกิดจากความคิดเราก็สามารถจิบ ม, มาสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ได้เป็นคุณค่าเป็นคุณภาพนจนไม่ได้เบียดเบียนไปเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจเราก็จึงมีวันนี้กัน วันนี้เรามารับรู้รับทราบข้อมูลมีบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรส่อ ว, ว่าการปฏิบัติกับ เ, เรื่องของใครของเราตามกําลังของศรัทธาความเชื่อฟังแล้วเราก็เห็นเห็นว่ามันเป็นจริงหรือว่าอาจจะเป็นจริงเราก็น้อมมาปฏิบัติแต่เราเราได้เห็นปฏิยาการต่างๆมากมายจากการสวดมนต์เราจะได้เห็นว่า มันมีมงคลเกิดขึ้นมาอัปมงคลเกิดขึ้นมามันมีการละชั่วมีการทำดีมีการชำระจิตโดยเพราความรู้สึกตัวชำระจิตมันเข้าถึงจิตถึงใจทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวกลับมาหากายได้เห็นอาการต่างๆเกิดขึ้นกับกายเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นอาการของจิตใจของเรา จิตอาศัยอยกับกายอยากรู้ว่าจิตอยู่ตรงไหนก็สัมผัสรู้กระทบรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตมีหน้าที่รับใช้แต่ถ้าจิตรู้จิตมีสติมันก็ทําหน้าที่เกิดประโยชน์ตอนประโยชน์ท่านเราก็จึงมาสรรสร้างกันสติมีอยู่ทุกคนบางก็มีระดับที่เรียกว่าสัญชาตญาณ บางก็ฝึกจนเป็นสติปัฏฐานมีน้อยๆมีให้ใช้น้อยๆบางทีก็เป็นสติปัฏฐานที่เริ่มที่จะแก่ก้าเข้มแข็งเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงเห็นธรรมเห็นกลเห็นว่าใจเห็นจิตใจเห็นรูปธรรมนามธรรมตัวนีน้เห็นอาการของรูปธรรมนามธรรมแสดงออกเช่นบางทีปฏิบัติเจ็บปวดเมื่อยนะมาแล้ว อาการของรูปธรรมบางทีก็ความง่วงมาแล้วเนี่ยมันเป็นอาการของนามธรรมเราก็ได้ฝึกซ้ําทําซ้ำํำผ่านซ้ําๆกันผ่านแล้วผ่านอีกจนกระทั่งมันตื่นตัวจนตื่นทุกข์มันมีแต่ทุกข์ตอนนั้นนะกายกเป็นก้อนทุกข์จิตใจก็้วมีาอาการต่างๆแต่หลงก็ไปก็เป็นทุกข์ทั้งหมดนะเราก็จึงเนี่ยนะ เกิดอิสรภาพขึ้นมามันเป็นทุกข์เราเห็นมันเป็นทุกข์เห็นเหตุด้วยบางทีจะแก้ไขบางที่ก็ปรับเปลี่ยนผ่อนกายบรรเทาแต่ที่ยงกันก็คือความคิดเนี่ยมันกลับมารู้สึกตัวเลยทันทีทันใดคิดปรับแปดเดีดกลับมารู้สึกตัวคิดไปอนาคตกลับมารู้สึกตัวบางทีก็คิดเป็นเล่าณาของวิภาควิจารณ์น เห็นเป็นป it. It right? it. It ัจจุบันแต่ว่ามันหลุดเข้าไปในความคิดเป็นการคิดรู้กลับมาสัมผัสความรู้สึกตัวมันก็จเห็นเป็นสมมติเห็นเป็นปรมาจเลยละทันทีทันใดตายเห็นอยู่แต่ว่ามันสักแต่ว่าได้เพราะว่าไม่ได้คิดต่อมันไม่ได้มีภาษาที่เราไม่เกิดเหตุเกิดผลเกิดการเปรียบเทียบเอาดีเอาชั่วมันเป็นการรู้เฉยๆรู้ซื่อๆแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติกันมาสองวันสามวันก็คงจะได้เห็น ลักษณะของประพิมพปปา ย, เ, ยเวลามันเกิดขึ้นมาความเป็นปกติเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมีความสําคัญมันจะได้ใช้ในเวลาต่อไปบางทีชีวิตเรามันเจอปัญหาขึ้นมาที่เราคาดไม่ถึงบางทีก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกับมันมืดมิดมืดมนไปหมดนะถ้าไม่มีหลักการของสติปัฏฐานแทกแทรกแสงขึ้นมามันก็จะเหมือนกับว่าโอ้มันมืดจริงๆแต่พอรา ฝึกสติปัฏฐานอะไรองนี้นเออชีวิตมันเปลี่ยนไปฝึก น, น้อยๆก็เปลี่ยน น, น้อยๆฝึกมากๆก็เปลี่ยนมากๆ ม, ม, มันมีแสงสว่างเล็กๆมาตัดให้เราไม่ต้องทุกข์ทุกขครั้งที่กลับมาหาความรู้สึกตัวเป็นบางทีก็รู้ลมหายใจบางทีตา ก, กระพริบขยับไปขยับมามันเป็นความรู้สึกตัวไม่ใช่ความคิดเล็กๆมันก็เป็นความรู้สึกตัวมันก็เดินตรงนี้แหละ ตรงความเป็นปกติตรงที่ปัจจุบันขณะนะชีวิตจริงๆล้วนๆมันจะสร้างสรรค์ให้เกิดสรรที่สุขสรรทิพย์มันเคยหนักมันก็เบาเกิดอา ก, การเบากายเบาใจขึ้นมาเวลาปฏิบัติภาษ า, ษาธรรมะก็เรียกกายรู้ตาจิตตารู้ตาบางทีมันก็สงบเราก็รู้ว่ามันสงบบางทีมันก็ฟุ้งซ่านเราก็รู้ว่าฟุ้งซ่านมันจะเกิดขึ้นมานะ มันเป็นเรื่องของใครของเราแล้วล่ะทําให้กันไม่ได้มันก็จึงเป็นเรื่องของประสบการณ์สอนตนแล้วเราก็เป็นครูที่ตัวรู้มันก็สอนเราตัวหลงมันก็สอนเราเรียนผิดก็เรียนเรียนถูกก็เรียนเราปฏิบัติธรรมเนีนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องถูกเสมอไปผิดก็เรียนถูกก็เรียนเพราะมีเหตุปัจจัยให้ผิดแล้มีเหตุปัจจัยให้ถูกแต่ถ้าท้ายสุดเนี่ยมันเลือกเป็นมันเลือกที่จะ อยู่ตรงที่มันเป็นอิสระตั้งจิตวิญญาณมันไม่ไหลไปสุขไปบวกอย่างนี้นะพอใจไม่พอใจไม่ไหลไปทุกข์เกิดความไม่พอใจตรงนี้แหละมันจะเป็นปัญญาอีกชนิดหนึ่งที่แตกต่างจากที่เราเคยเป็นปัญญาที่เคยได้ยินได้ฟังได้จําำปัญญาที่ครูสอนเราพ่อแม่สอนเราแต่นี้เป็นปัญญาแล้วนะที่ปัญญามันเกิดแล้วนะการรู้แล้วก็รู้ตัดๆ การรู้แล้วก็รู้แล้วก็ผ่านมาเกิดรู้แล้วก็ติดขัดรู้แล้วก็สงสัยลังเลรู้แล้วก็ไม่ชัดเจนมันมีดีแล้วก็ดีมากแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ตรงไหนมันคือดีที่สุดเนี่ยผมเกิดแล้วนะของความรู้สึกตัวก็มาอ้อมันดีที่สุดหยุดตรงนี้เนี่ยการรู้รูปธรรมนามธรรมรู้กายรู้ใจสภาวะสมดุลของชีวิตตุวยภาพของชีวิตก็อ้อม เกิดขึ้นมาให้เราได้เหมือนกับว่ามีที่อยู่เมื่อก่อนไม่มีที่อยู่เรียกว่าสัมภเวสีไม่มีที่อยู่เดี๋ยวก็คิดไปอดีตเดี๋ยวก็คิดไปอนาคตเดี๋ยวคิดเป็นสุขเดี๋ยวคิดเป็นทุกข์ตอนนี้มันรั่วอ่อนนี่คือหลังของความทุกข์ที่เกิดจากความคิดสมมติฐานของความทุกข์เกิดจากความคิดเพราะเราไม่รู้สึกตัวนี่จิตไม่ปกติไม่มีบ้านไม่มีมาตรฐานของชีวิตนี่มันเป็นอย่างนี้เลยแหละ เราก็จึงนะใจเวลาแต่วินาทีวินาทีวินาทีกลับมานะศึกษากายใจของเราผ่านความรู้เนื้อรู้ตัวเรียกว่าการมีสติปัฏฐานอย่างนี้นะมันะก็เป็นคำบอกคำสอนตั้งแต่สมัยโบราณแล้วลนะองสมเด็จสามมารถองเจ้าเราเชื่อว่ามีจริงนะนะเราเชื่อว่าสิ่งที่ท่านสอนอยู่ในพระดกก็มีจริงพนะระไตปรปิฎกก็พูดความจริงเป็นคำพีของพุทธศาสนิกระนีนะ้นะ ครูบาอาจารย์ก็มีจริงๆครูตั้งแต่พระอริยบุคคลต่างๆมากมายต้องท่านล่วงลับไปแล้วแล้วยังมีชีวิตอยู่ก็าตามครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็ได้น้อมเข้ามาเราก็ลองปฏิบัติศึกษาดูเรียนถูกเรียนผิดได้เห็นจริงๆผิดมันเป็นอย่างนี้ตัวหลงตัวไม่รู้นั้นมันพาให้เราผิดจริงๆแล้วก็ทุกข์จริงๆถ้าหลงเข้าไป พอลงมันจึงไม่รู้ทันความคิดก็เข้าไปในความคิดนะพอเข้าไปในความคิดนะความคิดก็เป็นคิดแบบคิดฉลาดคิดไม่ฉลาดนะคิดเป็นกุศลคิดเป็นอกุศลเสร็จแล้วก็ทําลงไปทางกายวาจาเป็นบุญเป็นดีเป็นบาปเป็นชั่วเกิดอยู่สมมติบัญญัติในที่นั้นๆเวลานั้น น, นัแล้วก็บัญญัติลงไปด้วยนะฉันชอบฉันไม่ชอบฉันจะทําฉันไม่อยากทําเี้ย บัญญัติลงไปก็ทั้งเหมือนกับว่ามันไหลไปตามอำนาจความหลงความไม่รู้แต่ถ้ารู้ขึ้นมาปับ๊บมันรู้มันก็กลับมาสู่โลกความเป็นจริงเห็นจริงๆหรือว่าสัจธรรมสัจจะคือความจริงเช่นเนี่พิกมือตั้งนะ่ะรู้แล้วมันจริงไหมอย่างเงี้ยยกขึ้นมานะ่ะรู้เนี่ยมันจริงไหมเนี่ยเามาที่สะดือเนอี่ยก็ทบสัมผัสมันรู้มีการเกรงการคลายการเคลื่อนการหวย การหยุดการนิ่งพนี้มันมีสภาวะอาการต่างๆทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมก็เลยเรียกว่าการเคลื่อนไหวรู้สึกการเดินจงกลมเป็นหน้าของการเอารมณ์รูปนามมากําหนดทํำไมต้องเอารูปนามมากําหนดถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่กําหนดก็เกิดกําหนัดทันทีพอเกิดกำหนัดก็จะกำหมัดกัดฟันอะไรกัเยอะแยะไปหมด การเบียดเบียนตัเองเบียดเบียนผู้อื่นมากมายนพ่อก็ไม่ได้บอกแม่ก็ไม่ได้สอนนกครูต่าองเรียนมหาอะไรไม่ได้บอกไม่ได้ชี้ไม่ได้นํามาได้สอนพระอังคังบานหรือว่าวัดต่างๆก็ก็ทํ า, เ, าทเรื่องอื่นกันพุทธพาณิชย์นพวกนี้แต่ว่าที่สุกโตนะ่ะมันมีคําสอนแบบเนี้ยอยู่มีคําสอนให้กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว ใหางน้อยเราก็มีสถานที่แบบนี้นะมีคำพูดแบบนี้นะแล้วเราก็มาฝึกมาหัดกันเราได้เห็นว่า ม, มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงนะอย่างเมื่อสามสี่วันก่อนนะอยู่จังหวัดระยองนะก็ไปด้วยเหตุที่ว่านะเวลาเราสวดมงคลเนะนะมื่อกี้ที่เราสวดกันมงคลสามสิบแปดประการนะ่ะมันมีอยู่ประโยคนึงก็คือ การสงเคราะห์หมู่ญาติการที่เรากระตันอยู่ต่อพ่อต่อแม่หรือว่ามีคนรอบรอบตัวเราก็สงเคราะห์แล้ ว, ลวประโยชน์ต่อญาติทีนี้ทราบข่าวว่าพ่อก็ป่วยเขาตัดลมไส้มาแล้วก็ไม่มีแรงแต่แล้วนอนสม แมก่ก็ทุกข์ใจอยู่กันมาสี่ห้าสิบปีคนที่รักก็จะพัดพากันไปเสีย อ, อกเสียใจแล้วก็ดูแล เ, นเหนื่อยมาปีสองปีแล้วมีถัท่ทรงกระสุดทรงกระสุดแล้วก็พี่สาวก็เสียใจที่พ่อกับแม่ทุกข์ลึเกินก็ร้องหมร้องไห้ส่วนอีกหลายคนเป็นโรคจิตโตรคประสาทเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หาจิตแพทย์ พอกลับไปก็เห็นพ่อก็ต้องเชียร์กันให้รับประทานอาหารหาอาหารเหลวๆต้มตุ๋นๆให้มันเปื่อยๆแล้วก็ร้อนๆอุ่นๆเอามาป้อนส่วนโยมแม่ก็เห็นว่าเขาแก้ปัญหาด้วยการไปกินยาดองกินเหล้าขาวจนกรทังติดพอติดปั๊บก็ประสาเสียคุยกันแทบไม่รู้เรื่องส่วนพี่สาวระบายออกด้วยการร้องไห้ แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าทุกเรื่องอะไรแล้วก็คนที่ไปหาจิตแพทย์ก็เข้าไปเพื่อที่จะพยายามเหมือนกันว่ามันมีทางออกอีกทางหนึ่งนะเนี่ยที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติกันอย่างเนี้ยอาจจะเป็นทางออกที่มันถูกที่สุดแล้วตอนที่ได้สัมผัสมาเนี้ยมันก็มีความสุขตองการที่จะช่วยเหลือต้องการที่จะแบ่งแบ่งปันความทุกข์นะ ในฐานะที่เราเคยรู้จักกันมาเคยเกี่ยวข้องกันมาอยากจะกะตัญญูตอบเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆช่วยให้ดีขึ้นมาก็เห็นว่าการไปครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ก็สดใสผ่องใสกันขึ้นมาพ่อก็มีเลี้ยวมีแรงเียแล้วก็เหมือนกับเย็นๆไม่เหมือนกับทุรนทุรายแล้วก็รอความตายเฉยๆเราก็เห็นว่าเออมันมีประโยชน์จริงๆ ความรู้สึกตัวเล็กๆเนะี่ยแล้วก็เคยให้ย่ากระยายนะก็มีความรู้สึกตัวตอนที่เขาใกล้ตายนะอย่างย่าเนี่ยเขามันมีความรู้สึกตัวนะตอนใ จ, จะขาดทําบุญทําทานรักษาศีลมานานนะแล้วก็ตอนที่ไปเยี่ยมก็จะบ่นว่าเบื่อเหลือเกิน เ, เบื่อเหลือเกินไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเนะย อยากตายอยากตายนะในห้องนอนก็มีพระพุทธรปนะูปะที่ได้จากการไปทอดกรถินทอดพระป่าแล้วพระก็ก็ให้เช่ากามาอยู่เต็มห้องนะแล้วท้ายที่สุดกับพูดกับว่าอยากตายอยากตายมี พ, พุทธรูปอยูนะ่เลยบอกอาิยารู้สึกตัวนะเนี่ยกามมืรู้สึกตัวนะแบรู้สึกตัวเนะกามมือรู้สึกตัวนะแบา ร, รู้สึกตัวนะ่ อยากแเขวก็เลิกบนแล้วก็ง่ว ง, ง, วงนอนก็นอนหลับไปด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็ตายไปด้วยความรู้สึกตัวมันก็เคยเห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแต่ว่าตอนหลังพอมารู้สึกตัวมันก็พึ่งได้จริงๆถ้ามันมีความรู้สึกตัวซะแล้วก็ยุงย่งๆยากๆล้วละชีวิตมันจะมีแก้ปัญหาในทางที่ไม่ถูกกบเกลื่อนไปวันๆหนึ่ง จนเครียดก็กินเหล้ารวยเครียดก็ชอปปิ้งเกลียวเตะเลยรอนไปเราจึงจนเครียดก็มารู้สึกตัวเถอะมันไม่เกี่ยวกับจนกับรวยรวยเครียดก็มารู้สึกตัวเถอะมันก็จะมีทางออกงดๆดงามงามชีวิตจะผ่องใสเบิกบานแล้วใจชีวิตจะมีกำไรต่อไปนี่เราก็มาสรรสร้างเรียนรู้กันอย่าปล่อยเวลาผ่านไปเวลามันเกินกินสรพส ร, สรพสัตว์สรรสิ่งความทั้งตัวมันเอง เราได้เห็ น, นกลไกทั้งหลายทั้งปวงนะที่เป็ น, นกลไกของธรรมชาติมันก็จะเป็นแล้วนะของธรรมมาคุ้มครองชีวิตของเราไม่ให้ตกไปทางที่เสื่อมนะปกติมันไหลไปลงต่ําเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายนะเป็นเดรฉานเป็นอบายภูมิอย่างนี้หรือบางทีกบเกลื่อนนะทําบุญทำทานติดดีจนเป็นเทวทูปไอเทวภูมิอายชั่วกลัวบาป เป็นลักษณะของกลัวจริงๆนะกลัวกลัวกลัวกลัวเป็นฮิริโอตปะแต่ว่าทุกเพราะความดีร้องไห้เพราะความดีและบางทีเราความดีคุณดีอย่างเราดีอย่างแล้วก็มาทะเลาะกันอย่างนะี้อันเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของมิคสันยีเป็นไฟบันไลกันเรียกว่าเป็นลักษณะของโลกาวินาได้ถ้าเราไม่ออกจากความ หลุดพ้นจริงๆนะก็คือตอนนี้คิดดีก็กลับมารู้สึกตัวก่อนคิดไม่ดีก็กลับมารู้สึกตัวก่อนตัวนีน้จิตของเรามันก็จะเป็นและนะ้ะของความเป็นปกตินะที่มันผุดเกิดขึ้นมาให้เรานะอ๋อมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยภายในจิตใจของใครของเรากันกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวตัวนี้นนะมันก็จึงมีนะรูปแบบมีวิธีการนะเช่นหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้เคลื่อนไหวพลิกมือตั้งรู้สึกตัว กับผมแล้อวองธมาก็ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อมาเกียรติท่านก็บอกว่านะทํายังไงก็รู้สึกตัวได้นะนีนะขยับอเคาอย่างนี้ก็รู้สึกตัวได้เอามือมาอย่างนี้เอามาบนตักเนี่ยรู้สึกตัวได้กระทบสัมผัสบางทีก็หันซ้ายหันขวารู้สึกตัวได้แล้วก็น้อมก็มาอ๋อมันจริงมันจริงนะเพราะฉนั้นเรื่องตรงนี้เราโกหกกันไม่ได้เราโกหกกันไม่ได้ทุกครั้งเราก็จะต้องโกหกตัวเองไม่ได้นะ เมื่อเรารู้สึกตัวสติที่เป็นโตขึตนต้นมาโตวันโตเกินมันก็เป็นพลังงานเป็นพลังงานของพระและให้เราได้สัมผัสแล้วเราก็จะรู้คุณ ร, รู้ค่าเมื่อเรารู้คุณ ร, รู้ค่าตัวนี้แล้วมันก็มนกไม่ไป่ยทิ้งป่ยกว้างกันจะเป็นเรื่องที่เราก็จะระมรัดระวังโดยที่ไม่ต้องระมัดระวังสํารวมโดยที่ไม่ต้องสํารวมมีสติโดยที่ไม่ต้องเหมือนกับว่าเ่อนไปในรูปแบบมากๆก็ได้นะ เราฝึกไปฝึกไปฝึกไปเนี่ยตัวรู้ที่มันเด่นขึ้นมาออกหน้าออกตาตรงนี้มันจะเป็นฐานเป็นบ้านเป็นที่อยู่ใหม่ใม่สติจะดูการเคลื่อนไหวของกายก่อนกายเคลื่อนไหวใจรู้แต่ต่อไปต่อไปเนี่ยสติจะเห็นจิตมันคิดแวบปั๊บแวบปั๊บๆวบเป็นเงาะเป็นอาการของจิตตรงนี้แเรามันจะเห็นจิตที่มีการนิ่งๆจิตเดิมแท้เป็นยังไงมีจิตสอนจิตยังไงมันมีความคิดสอนความคิดยังไงมันมีสติสอนจิตยังไงนะ แล้วเราจะได้รู้สตินะรู้สติตรงนั้นเราเรียกว่าชใจภูมิสภาวะภูดูเทมปากฏเด่นขึ้นมานะมันจะเกิดขึ้นมาสมควรแก่การปฏิบัติใครปฏิบัติมากก็เรียกว่ารู้กายรู้ใจมากรู้รูปธรรมนามธรรมมากสติมันจะมีประสบการณ์ทำซ้ําๆๆๆๆๆแล้วก็ผ่านได้ไวใหม่ๆมาอาจจะเอียงซ้ายบ้างหรอาจจะเอียงขวาบ้างมันเป็นยังไงที่เรียกว่าเอียงซ้ายเอียงขวาก็หมายถึงว่ามันเอียงไปทาง ทำดีติดดีอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็เอียงไปทางคิดดีบางทีก็เอียงไปทางคิดไม่ดีเอียงขวาเอียงซ้ายอย่างเงี้ยนะติดสุขติดทุกข์อย่างเงี้ยนะมันจะเอียงไปบ้างมันไม่สมดุลการนี้พอฝึกไปฝึกไปมันจะมีสมดุลเกิดขึ้นมาอันนี้เราจะเป็นทางผ่านมันจะไม่ติดซ้ายติดขวาที่เป็นลองรอยของการเดินทางแต่ใหม่ๆมันจะไม่ค่อยมีรอย ใหม่ๆจะเหมือนมีขยะเยอะมากเหมือนเดินเข้าป่าชนนั่นชนนี่ชนนู่นบางทีก็ฟุงส่านที่ก็ลำคาญใจที่ก็เบือ่อที่ก็เซนบางทีมันก็บอกไว้ถูกแต่พอเรารู้สึกตัวมากๆปกติมากๆมันมีรอยตอรยงเนี้ยเริ่มมีชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเหดขึนมันก็เราเดินจงกรมมานะใหม่ๆขยะลบไปหมดฝนตกลมพัดแรงใบไม้ล่วงมแล้วก็เดินไปเดินมาเหยียบบ้างเตะไปบ้าง มันก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นนะะสะอาดขึ้นเียนแบบเสมือนจิตใจของเราก็เหมือนการทอนเป็นอย่างเนี้ยเราก็จึงไม่ท้อแท้นะนะถึงท้อก็ไม่ถอยนะถึงทุกก็ไม่ทอ้อเอาไปอย่างเนี้ยนถึงทุกก็ไม่ท้อถึงท้อก็ไม่ถอยนะถึงถอยก็ถอยไปตั้งหลักพร้อมที่จะวิ่งไปข้างหน้าเอาไปอย่างเนี้ยชีวิตนะปฏิบัติทำนะเราก็จึงมาอยู่กันเป็นแบบหมู่ญาตินะเป็นเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะ เป็นเพื่อนยังไม่พอต้องเป็นกะเหลีมิตดน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องแล้วก็ท้ายสุดก็คือไม่พาไปทางที่เสื่อมไปมรรคผลที่พานณิาชาตินี้ละแมวชาติไหนนะเพราะฉะนั้นก็ท้ายสุดแล้วนะก็ขอยุติเรืเพียงแค่นี้นะก็ขอให้การบริวารดีทำลังหลายนั้นอาการเดินยงกลมตั้งซ่างจังไวะนะก็จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งของทุกนะให้ปรากฏกันในบัญชาตณนี้โดยตัวการทุกรูปทุกนามเตอ